เอกเรื่องหนึ่งนะนะสัจจะ ส, ะสวหยะบันดิตะจริยาอีกเรื่องหนึ่งในการเมื่อเราเป็นดาบทปรากฏนามว่าสัจจะนะเป็นคนที่พูดคำสัจคำจริงเนี่ยนะเรารักษาสัตว์โลกไว้ด้วยคำสัจได้ทำหมู่ชนให้สามัคคีกันชนิแลอันนี้ใจความโดยสรุปก็คือ อาศัยการรักษาคำสัตว์สา ม, มารถทําให้ประชุมชนนั้นถึงความสมัครสมานสามัคคีกันสัจเจนะโลกังปาเลสิงค์คือเรารักษาสัตว์โลกหมู่สัตว์ในชมพูทวีปนั้ น, น, นจากบาปและจากความพินาศหลายๆอย่างด้วยความไม่พูดเท็จของตนอันอาศัยพูดคำสัตว์คำจริงนั้นทําให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากบาปประสบแต่ความสุขความเจริญ บทว่าสมัชชังชนะมะกาสหังเราได้ทําให้มหาชนที่ทะเลาะกันเถียงกันวิวาทกันในที่นั้นๆให้สามัคคีกันไม่วิวาทกันบันเทิงกันด้วยการแสดงโทษในการทะเลาะกันแล้วกล่าวถึงอ น, นิสง์ในความสามัคคีกันแสดงว่าคนที่ใช้สัตวจวาจาเป็นเนี่ยนะหนึ่งอย่างเมื่อกี้เรื่องก่อนนั้นรักมีวจีสัตวจะสามารถรักษาชีวิตของตนให้ปลอดภัยด้วย คือมวีวาจาสัจจะสามารถรักษาชีวิตคนอื่นให้รักษาชีวิตตัวเองให้ปลอดภัยมาในเรื่องนี้อาศัยสัจจะวาจาทำให้คนอื่นนั้นปราศ จ, จากโทษให้คนอื่นมีความสมัครสมานสามัคคีปรองดองกันก็เป็นคำพูดที่พูดคำจริงนั้นจะต้องระวังว่าคำพูดนั้นไม่ส่อเสียดนะคนที่พูดจริงเนี่ยบางทีพูดจริงละแต่คนฟังฟังแล้วทะเลาะกัน คนฟังฟังแล้วทะเลาะกันเช่นพูดความจริงก็อีกคนหนึ่งไปให้อีกคนหนึ่งที่เขาไม่ชอบฟังฟังก็เลยกลายเป็นว่าได้ทะเลาะกันได้ความแตกแยกกันได้ความไม่สมัครสมานสามัคคีปรองรองกันเพราะความจริงบางด้านอีกคนหนึ่งรู้เมื่อไหร่ก็สามัคคีที่เคยมีอยู่นี่หายไปเพราะฉะนั้นความจริงบางอย่างเนี่ยนะคนที่พูดจริงเนี่ยจะต้องระวังเพราะถ้าหากว่าพูดจริงแล้ว พูดไม่ถูกต้องหรือพูดด้วยเจตนาร้ายเนี่ยก็กลายเป็นสร้างความแตกแยกสร้างความไม่มีไม่สมัครสมาสามัคคีกันเป็นต้นฉั้นคนที่ใช้คำสั์คำจริงเป็นนั้นจะต้องเป็นคำพูดที่เพื่อประโยชน์แก่การสมัครสมานสามัคคีและปรองดองกันเนี่ยนะคนนี้ถ้าหากว่าไม่สามัคคีแล้วจะเป็นอย่างไรนะที่ใดขาดความสามคัคคีที่นั้นเดือดร้อนก็ลองที่ไหนมันมีปัญหาสิ ที่ไหนมันมีปัญหาก็คือขาดความเข้าใจกันเนี่ยนะไม่ว่าครอบครัวที่ใดที่ไม่มีความสามัคคีการครอบครัวนั้นก็เดือดร้อนเลลี่แหละเนี่ยนะถ้าแม้กระทั่งชุมชนใดถ้าขาดความสามรรรัคคี uhh ชุมชนนั้นก็เดือดร้อนแม้กระทั่งพุทธบริษัทก็เหมือนกันถ้าแตกความสามัคคีเมื่อไหร่ก็เดือดร้อนถ้าสงฆ์แตกความสามัคคีเมื่อไหร่ก็เดือดร้อนชนที่ทําให้คนเราอื่นแตกความสามรรรัคคีนั้นจึงประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นอันมากสิ่งที่เอามาพูดนั้นอาจจะพูดจริงแต่พูดเพื่อ ส่งเสริมการแตกแยกกันนั้นเป็นคำพูดที่ใช้ไม่ได้คำพูดที่ดีถูกต้องคำพูดนั้นต้องจริงเมื่อจริงแล้วเป็นไปเพื่อสมัครสมานสามัคคีและปรองดองได้ยินว่าในการละนั้นพระโพธิสัตว์อุบัติในตระกูลของพราหมหาสารตระกูลหนึ่งในกรุงพาราณสีชื่อว่าสัจจะนะเชื่อสัจจะเลยนะ พระโพธิสัตว์ครั้นเจริญวัยก็ได้ไปเมืองตักศิลาเรียนศิลปะในสำนักของอาจารย์ที่สาปาโมกไม่ช้าก็สําเร็จศิลปะทุกอย่างอาจารย์ก็อนุญาตให้กลับกรุงพารณสีรับปริญญาบัตรระบ้านเลยวายมารดาบิดามารดาบิดาก็ชื่นชมยินดีทีนี้ก็เพื่อจะรักษาน้ําใจมารดาบิดาก็อยู่ร่วมกันกับมารดาบิดาสิ้นวันเล็กน้อยอันนั้นก็หมายความว่าก็อยู่บ้านสักพักหนึ่งให้พ่อแม่ชื่นใจซะหน่อย ครั้งนั้นบิดามารดาประสงค์จะหาภริยาที่สมควรให้จึงมอบสมบัติทั้งหมดให้หมดแล้วเชื้อเชิญพระโพธิสัตว์นั้นให้อยู่ครองเรือนพระโพธิสัตว์นั้นโดยปกติก็มีอัธยาศัยในการออกบวชที่เรียกว่าเนคข ม, มัตยาศัยถามว่าเนคข ม, มัตยาศัยเพื่ออะไรเพื่อประสงค์จะเพิ่มพูนเนคขมะบา ร, รมีของต น, เ, นนะเพราะว่าผู้ที่จะตรัสรู้เนี่ยนะอย่างใน สเลข่สูตรเนี่ยผู้ที่จมอยู่ด้วยกันเนี่ยจ ะ, จะชดคนอื่นออกได้ไหมสมมุติถ้าเราทั้งคู่จมน้ําทั้งคู่เนี่ยจะช่วยฉุดให้คนอื่นขึ้นน้ําได้ไหมบอกไม่ได้ฉันใดผู้ที่จะมีอัธยาศัยจะช่วยเหลือผู้อื่นได้เนี่ยนะคนนั้นจะต้องมีอัธยาศัยขึ้นบกก่อนเมื่อขึ้นขึ้นบกเสร็จแล้วจึงจะสามารถฉุดคนอื่นได้นี่ก็ลักษณะเดียวกันท่านก็เลยกล่าวโทษของการครองเรือนว่าครองเรือนเนี่ยมีโทษอย่างไรบ้าง นะการครองเรือนเนี่ยมีโทษอย่างไรนะโทษก็การสแสวงหาปัจจัย4นี้ก็ถามว่าหาได้มัง้ง่ายๆหรือปัจจัย4ี่แต่ละอย่างนี้ได้มาง่ายหรือที่จะครองเชีพเพราะว่าการครองชีพก็หาปัจจัย4ี่เพื่อบำรุเพื่อให้ตัวเองได้มีใช้สอยแล้วก็หาปัจจัย4ี่เพื่อให้คนอื่นทีนี้ไอ้เกี่ยวกับปัจจัย4มันไม่ใช่อย่างนั้นมันบวกหน้าตาบวกศักดิ์ศรีบวกมานะบวกยศบวกตำแหน่งบวกอีกหลายอย่างด้วยกันเนี่ยนะก็เกี่ยวกับปัจจัย4เพราะฉะนั้น ถามว่าเมื่อจะได้ปัจจัยสี่เหล่านั้นต้องทําอะไรบ้างก็พันๆอยู่กับปานาติบาพันอยู่กับอธินนาทานพันอยู่กับกาเมพันอยู่กับมุสาวาตพันกับปิสุณหวาจาพฤทวาจาสัมผัพปลาปะอภิชาพยาบาทถ้าทําชั่วมากๆกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิไปเลยพันอันนั้นคือโทษของการครองเรือนว่าในที่สุดก็นะนอกกิเลสที่เป็นเหตุให้สแสวงหาก็ยิ่งใหญ่ในที่สุดก็ล่วงบาปล่วง อกุศลทีนี้ล่วงบาปอากุศลจะด้วยเหตุผลใดก็คือจะด้วยเหตุผลใดก็ตามบาปก็คือบาปวันยังค่ําในที่สุดก็ถ้าไม่ระวังไม่สังวรไม่สํารวมรักษาไม่ประพฤติกุศลธรรมให้ดีก็ฉุดตัวเองไปสู่อบายทุกคติวินิบาศและนรกเป็นต้นนั้นก็ถือว่าโดยรวมๆแล้วก็คนที่จะออกได้นี่ก็ถือว่ามีบุญมากจริงๆ น, นะทีนี้ท่านก็เห็นอา น, นิสงส์ของการบันประชาบันประชาก็ ไม่ต้องสแสวงหาปัจจัยเพื่อเพื่ออะไรเพื่อสร้างเรือนทเรียกอนาคาริกะหรือว่าผู้ที่ไม่มีการครองเรือนนั่นแหละผู้ที่ไม่ได้สแสวงหาอะไรเพื่อประโยชน์แก่แก่บ้านแก่เรือนอะไรเลยนั่นแหละเรียกว่าบรนประชามันก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความสะดวกใจอย่างเต็มที่ในการบำเพ็ญสมณะธรรมบำเพ็ญไตรสิกขาบำเพ็ญอธิศีณาธิจิตและอธิปัญญาเนี่ยนะเพราะเพราะตัวเองก็ไม่ต้องไปรับภาระ เป็นห่วงเป็นยายวิตกกังวลในเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องการทำมาหาเลี้ยงชีพเป็นต้นเนี่ยนะก็เลยมีเวลาที่จะอบรมศิกขาสามได้อย่างเต็มที่สรุปว่าเห็นโทษของการครองเรือนที่เป็นปัจจัยแก่ทุจริตกรรมทั้งหลายเห็นอานิสงส์ของการบวชที่จะสามารถบาเพ็ญสุดจริตกรรมและอย่างเต็มที่และบริบูรณ์ก็สแสดงโดยอธิบายให้พ่อแม่ฟังโดยประการต่างๆนะเ พ่อแม่นี่ความที่ตัวเองเกิดมาก็อยู่ครองเรือนมาตลอดใช่ไหมใช้ชีวิตมีความสุขอยู่กับการครองเรือนมาตลอดก็เลยคิดว่าเห็นเห็นโลกคนละฟากกันว่างั้นเห็นโลกคนละฟากหรือเห็นเห็นเข็นคนละอย่างกันปกติก็เห็นแต่เห็นแต่อันนี้สงของการครองเรือนเห็นโทษของการออกบวชนั้นลูกมีอัทยาศัยตรงกันข้ามพ่อแม่ก็เลยเสียใจเลยที่ลูกจะต้องบวชนี่ไง ในที่สุดอธิบายยังไงก็ น, นะก็อนุญาตแต่ว่าอนุญาตทั้งน้ำตามาดาบิดามีหน้าอาบไปด้วยน้ำตาร้องให้อยู่ในที่สุดท่านก็ไม่ได้อาไลอาวอนเรียกว่าบาลีเรียบประโยคอนาธรไม่ได้เอื้อเฟื้ออะไรเลยร้องก็ร้องไปก็แล้วกันก็ละกองสมบัติอันหาประมาณไม่ได้สละยศอันสูงส่งสละสละญาติวงใหญ่หมูใหญ่ตัดความผูกพันทางเรือน โดดช้างใหญ่ทำลายเครื่องผูกเหล็กฉะนั้นออกแล้วก็ไปยังหิมวันแต่ประเทศบวชเป็นฤาษีเลี้ยงชีวิตด้วยรากไม้และพลาพลในป่าไม่ช้าก็ได้ยังสมาบัติ8ดและอภินยา5าให้เกิดเพลิดเพลินกับฌานอยู่ด้วยวิหารสมาบัตนะมีความสุขอยู่กับการเข้าสมาบัตเป็นตนนั่นแลวันหนึ่งพระโพธิสัตว์ตรวจ ด, ดูโลกด้วยทิพจักสุ คือท่านมีตาทิพ น, นะอะไรนะทิอพอภิญญาหา้ามีอะไรบ้างหูทิพตาทิพรู้วาระจิตของผู้อื่นแสดงฤทธิ์ได้ละลึกชาติได้เนี่ยนะอันนี้แหละเป็นเหตุให้ท่านตรวจดูสรรพสัตว์ทั้งหลายว่าปกติชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเป็นต้นเขาอยู่กันอย่างไรก็ได้เห็นพวกมนุษย์โดยมากขวนขวายอยู่ในอากุศลกรรมรบทพากันทําปานาธิบาสอะไรปานาติบาสคืออะไรก็ฆ่ากันสงครามเป็นต้นนั่นแลอธินนาทานก็ทุจริตคอรัปชันคดโกงกัน มุสาวาอะอะไรกาเมสุมิจฉาจาร น, นะไม่รู้ว่าคู่ใครเป็นคู่ใครแล้วยุ่งไปหมดเลยมุสาวาสพูดเทศเน่ยนะคําพูดก็เรียกว่าพูดไปครึ่งวันจริงอยู่นี่เดียวอย่างไงนะคำพูดก็พูดเพื่ออะไรพูดเพื่อทําลายฝ่ายตรงข้ามอยู่ตลอดเป็นต้นก็คือลักษณะที่เรียกว่าล่วงอากุศลกรร ม, มบทเ้าเหล่านั้นก็พากันทะเลาะกันทีนี้ทะเลาะกันเนี่ยมันก็ต้องมีตัวเหตุใช่ไหมสาเหตุที่ทําให้ทะเลาะกันก็คืออะไร วัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความปรารถนา น, นะศึกชิงแย่งชิงวัตถุกันนั่นแหละแย่งชิงรูปสวยๆแ ย, ย่งชิงเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยโภธะที่ดี น, นะแล้วสาเหตุที่จะทำให้มันมีสิ่งเหล่านั้นก็คืออะไรก็คือมหาพูดทั้งหลายก็ศึกชิงมหาพูดรูปดินน้าไฟลมเนี่ยก็มีอยู่เท่านี้ในที่พระโพธิสัตว์พอเห็นอย่างนี้ก็คิดว่าการที่สัตว์เหล่านี้เนี่ยนะ การที่เราเนี่ยรู้เห็นว่าสัตว์เหล่านี้ขวนขวายในบาปทะเลาะกันและวางเฉยเสียไม่เป็นการสมควรแก่เร า, เานะถ้าเห็นว่าเขาเดือดร้อนไนหะเหมือนอย่างพ่อแม่เนี่ยนะเห็นพ่อแม่เนี่ยรู้ปัญหาของลูกทั้งหมดลูกกาลังทะเลาะกันแล้วทําเป็นเฉยไม่สนใจเลยเนี่ยนะสมควรไหมไม่สมควรฉันใดเรานี้ปฏิบัติสัมมาสัมโพธิญาณใจจริงๆก็หวังว่าจะขนสัตว์ทั้งหลายออกจากเปือกตมคือสังสารวัต แล้วให้ตั้งอยู่บนบกคือพระนิพานเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้ผิดปฏิญาณหรือปฏิญญาคำที่เรากล่าวเอาไว้ถ้าการะไรเราพึงไปยังที่อยู่ของมนุษย์ยังสัตว์เหล่านั้นให้เว้นจากบาปและทำให้การวิวาดของมนุษย์เหล่านั้นสงบลงแสดงว่าช่วงนั้นมีสงครามมีการทะเลาะเบาแวงมีความโฉลมวุ่นวายใหญ่เลยอันก็อดอคือว่าทนไม่ได้ที่เหมือนกับเห็นลูกหลาน ทะเลาะกันแล้วรู้กําลังความสามารถของตัวเองว่าสามารถที่จะสงบประงับปัญหาเหล่านั้นได้เพราะบางทีนี้เขาทะเลาะก็ไปห้ามก็อาจจะไปตายตรงนั้นก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้กําลังของผู้ที่ที่เข้าไปห้ามเหมือนกันว่ามีความรู้มีความสามารถเท่าไหร่พันกรุณาอย่างเดียวช่วยได้ไหมได้ไหมไม่ได้ ตรงนี้ท่านมีปัญญามีคุณธรรมมีศรรมีลมีสมาบัติมีคุณธรรมอย่างอื่นอีกเยอะแยะไปหมดเลยเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถสูงมากเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนที่มีความรู้ความสามารถสูงอย่างนี้ถ้ามีกรุณาต่อผู้อื่นนี่แหละจึงจะสามารถยังประโยชน์ให้สําเร็จเพานท่านก็รู้เลยว่าถ้าเราไปยังที่อยู่ของมนุษย์สัตว์เหล่านั้นก็จะงดเว้นจากบาปการทะเลาะวิวาทก็จะสงบลง ทุกคนก็โดยมากก็เว้นจากอากุศลกรรมบท10ตั้งอยู่ในความสมัรสมานสามัคคีปรองรองกันเนี่ยนะคือบางทีเนี่ยบางคนก็เข้าใจงดเว้นจากอากุศลกรรมบท10ไม่ทำบาปก็จริงแต่ก็ขาดความสามัคคีก็มีอยู่แ ะ, ะนั้นก็ต้องสอนให้เขาเว้นจากอากุศลกรรมบท10อยู่ด้วยความสามัคคีและปรองรองพระโพธิสัตว์คันคิดอย่างนี้แล้วอันมหากรณาเร่งเร้าหนักขึ้น ปกติก็มีความสุขอยู่ในอะไรอยู่ในฌานและสมาบัติสุขเหล่านั้นเนี่ยนะมันเรมากกว่าสุขในการมมาพบทั้งมวลสุขในฌานเนี่ยนะมากกว่าสุขในการมมาพบเพราะฉะนั้นท่านก็สละสุขที่เกิดจากสมาบัติที่มีอยู่ในที่นั้นๆจากที่ตรงนั้นไปด้วยฤทธิ์แสดงทำอันเหมาะแก่จิตของคนเหล่านั้นแสดงโทษของการผิดพอ้อผิดพ้องมองใจกันทะเลาะเบาแวงกันนี่มันเสียหายอย่างไรเนี่ยนะ สมมติถ้าพี่น้องทะเลาะ ก, กันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าเพื่อนบ้านทะเลาะ ก, กันและอะไรจะเกิดขึ้นนะถ้าบ้านเมืองทะเลาะ ก, กันและอะไรจะเกิดขึ้นนะถ้าประเทศทะเลาะกันและอะไรจะเกิดขึ้นทั้งโลกทั้งโลกทะเลาะ ก, กันอะไรจะเกิดขึ้นเป็ตนต้นก็กล่าวถึงโทษของการทะเลาะเบาะแวงการเนี่ยนะก็ในที่สุดพูดถึงโทษที่เกิดขึ้นในปัจจุบันว่าเสียหายอย่างไรแล้วโทษของพบหน้าต่อไปจะเป็นอย่างไร อย่าลืมว่าถ้าคนทะเลาะกันเนี่ยนะระดมความชั่วร้ายเนี่ยขนมาหมดเลยเท่าที่มีอยู่ในโลกความชั่วร้ายสารพัดอย่างจะเข็นกันมาไม่รู้ขุดมาจากนรกขุมไหนมาไม่ทราบะนะขุดกันมาหมดทุกกลุ่มทุกประเภททุกชนิดเท่าที่มีอยู่อย่างคิดดูเนี่ยนะอย่างกลุ่มอาวุธเนี่ยเราคิดดูมันคิดได้ยังไงเนี่ยนะคิดได้ยังไงคิดตั้งแต่แบบเอาเชื้อโรคมาทําเป็นอาวุธในที่สุดจนถึงเรียกว่าอะไร ไอ้บอมทีหนึ่ง้ำหนักพันกิโลไงนะบอมตุ้มนึ่งไงนะมีแต่อะไรมนะันคิดได้ยังไงไม่ทราบแต่คิดเหล่านี้ไม่ได้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขไปช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์แต่นั่นแหละก็คือโทษของการผิดพ้องมองใจกันทะเลาะเบาะแวงกันคิดหาแต่ความเสียหายกับให้อีกฝ่ายหนึ่งอย่างไรเนี่ยจะแก้ปัญหาได้มากที่สุดเพราะวิธีการแก้ปัญหาของคนทะเลาะกันนะวิธีแก้อันหนึ่งก็คือแก้ด้วยการฆ่า จบลงด้วยการฆ่าการแก้ปัญหาอีกอันหนึ่งสำหรับคนทะเลาะกันที่ที่ชาวประชาชนทั่วไปใช้อยู่ก็คือการโกงการผิดการเมการมุสาวาดการพุสวาจาโดยในที่สุดแล้วรวมๆก็คือถ้ามีการทะเลาะเบาแหวงกันก็แก้ปัญหาด้วยการล่วงอาุศลกรรมบทสิบเขาไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เขาทำนั่นแหละคือมรดกของเขาต่อไปในอนาคตเนี่ยนะพนสิ่งใดที่เขาทาทุกอย่าง ที่เขาคิดถึง ค, คิดคิดค้นความเลวร้ายเพื่อให้ผู้อื่นรับคิดสูตรได้เท่าใดคือสิ่งที่ตัวเองจะต้องเสเวยในอนาคตเท่านั้นเพราะการทะเลาะเบาแหวงกันมีโทษทั้งโลกนี้ด้วยะนะไปที่ไหนก็มีแต่ความเดือดร้อนแล้วก็ในที่สุดโลกหน้าละชาติต่อๆไปอีกหลายชาติเนี่ยนะแม้กระทั่งหลายคนแม้แต่มาเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังยังมีปัญหามีพระรูปหนึ่งน่ยนะ แม้แต่ท่านมาบวชเข้ามาแล้วยังมีปัญหาเลยก็ความที่ท่านเคยส่อเสียดคนอื่นให้เขาแตกแยกกัน น, นะส่อเสียดคนอื่นให้ไปให้พระพิสุเนี่ยแตกแยกกันกรรมที่ท่านทําให้พระพิสุแตกแยกกันเนี่ยนะท่านเกิดมาในกลายเป็นคนที่น่ารังเกียจไปที่ไหนมีแต่คนเน็บแนมถากถางท่านอยู่ตลอดเพราะกรรมที่เคยไปส่อเสียดท่านเป็นไม่เป็นที่ชอบใจของคนทั่วไปนะโดยมากเพราะว่ากรรมที่ทำเอาไว้เนี่ยนะ มันเป็นสมบัติอย่างบางคนเนี่ยเกิดมาในโลกเนี่ยเป็นคนที่คนทั่วไปรังเกียจมากเลยถามว่าเพราะกรอะไรเพราะไปทำเหตุอะไรมาเป็นต้นนั้นสรุปว่าคนที่ทะเลาะกันเนี่ยคิดหาความเลวร้ายให้แก่ผู้อื่นคิดถึงให้แต่ผู้อื่นนี้ประสบแต่ความทุกข์เขาไม่รู้ว่านั่นอะ่ะคือสมบัติของเขามรดกของเขาที่เขาจะได้รับต่อไปในอนาคตสรุปว่าฤาษี พระโพธิสัตว์นี้ก็แสดงอ น, นิสงของความสมัครสมานสามคัคคีประโยชน์ของการสามัคคีการประโยชน์โลกนี้และประโยชน์โลกหน้าใครที่เคยทะเลาะกันก็อดโทษซึ่งกันและกันนะท่านก็ชี้แจงความหยาบช้าอาการต่างๆและโทษในบาปทำให้สัตว์เหล่านั้นเว้นจากนะบางพวกก็ตั้งอยู่ในกุศลกรรมบทส0ประการเนี่ยนะปกติก็โดยมากก็หันมารักษา อลสรกรรมมบดเสพเว้นจากการฆ่านนะเว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในการเว้นจากการพูดเท็จเว้นจากพูดคําหยาบเว้นจากการพูดเพ้อเจอ้อเว้นจากการพูดส่อเสียดเว้นจากนะพูดอะไรพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคําหยาบแล้วก็พูดเพ้อเจอ้อนะตั้งอยู่ด้วยอนนาิชาอัพยาบาทและมีสัมมาทิฏฐิกัน ให้เขาพอกพูนบุญกุศลคุณงามความดีเนี่ยนะบางพวกก็ให้บวชแล้วก็ตั้งอยู่ในศีลและสังวรคุ้มครองอินทรีย์มีสติสัมปชัญญะอยู่ในที่สงัดบอกวิธีการเจริญฌานและปฏิบัติเพื่อให้มีอภิน ญ, ญาสรวว่าท่านชี้ทางสวรรค์ทางแห่งพรหมโลกอันนะั้นเรียกว่าทางมนุษย์ทางสวรรค์และทางแห่งพรหมโลกไปบอกกล่าวตักเตือนเพื่อปิดประตูอบายทุกขติวินิบาตนรกให้หันไปหาทางแห่ง สุคติและโลกสวรรค์นั่นแหละพันธ์อันนี้ก็เป็นอะไรประกาศถึงบารมีข้อไหนคำสัตว์เนี่ยนะอาศัยสัตว์จะเนี่ยนะพูดคำสัตว์คำพูดคำสัตว์นั้นก็คือพูดความจริงถึงโทษของการทะเลาะเบาะแวงจริ ง, รงๆการกล่าวธรรมะเนี่ยคือคำพูดคำสัตว์ที่สุดแล้วเพราะอะไรเพราะพูดเหตุกับพูดผลพูดทางแห่งความเสื่อมแล้วก็แสดงทางแห่ง ความเจริญพูดพูดเหตุแห่งความเสื่อมเพื่อจอะได้ปฏิบัติในเหตุนั้นให้ละเหตุนั้นบอกหนทางแห่งความเจริญก็เพื่อให้ประพฤติปฏิบัติในหนทางแห่งความสุขและความเจริญ